<c oughs> ได้ <c oughs> ทำเอาโอกาสมีอากที่จะมีบ้านก็ก็อยสัปยะบเพ่งเลยท่นเพ่งก่าจะออกได้ออกนี้จากความวกุกขีวุ่นวายได้ก็ภาค <c oughs> ความห่วงอันนั้นห่วงอันนี้นั่นละไปไหนก็ไม่ได้ครับ มองติดบ่วงบ่วงออกมาได้ช่อคู่ช่อคาวก็ดีแล้วตั้งใจทำเอาแก่หลับแกนอนแก่ปากแก่ท้องถ้าฉันหลายมันก็ฉันมากเกินไปมันก็ราวานาก็ยากลำบากต้องให้รู้จักประมาณการการบริโภคพออยู่ได้อหนุ่ม ก็อยู่ได้ใกล้จะอิ่มสักสี่ห้าคำก็หยุดอันน้ำก็ไปเยอะๆมันก็อิม่มพอระมานมันเอ็ดมันเราเอาชานะมันได้ก็สบายเอาชานะเขาได้ชนะกิเลสตรงที่มันเอาชานะเราได้โอ้ลาบากอยู่ตามใจมันวันนี้ก็ปลาสวดธําวัดได้ทุนเอาไว้สําลองเอาไว้ สามพระสูตร ส, สัมมจักออทิตย์สามาสูตรนี้แหละที่พระพุทธองค์ไปแสดงอยู่ที่ไหนผลบรรลุธรรมสูธุดธรมรมจักนี่ก็อันก็โพดเรื่องเอาความเกิดแก่เก็บตายในี่เป็นประธานเหียงทุกข์ สนท่นานกณสูตรท่านก็เอาเป็นยขันเป็นประธานแห่งทุกอาทิตตานลักณสูตรท่านก็เอาเอาอัจนะยะัจนะเป็นประธานทุกทั้งสามอย่างนี้ก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่แยกออกสำนวนของพระสูตรแยกออก แยงออกให้คนเข้าใจง่ายขึ้นเฉยๆเราแก่ <c oughs> แเจ็บตายก่อนรวมลงไปสรุปอยู่ที่ขันห่านั่นล่ะว่าโดยย่ออุปทานขันห่านั่นคือทุกทำัมาจับขันห่ามันเกิดมันดับเหมือนกงจักกิเลสมันหมุนเป็นวัตตจักเป็นกงจักอย่างนั้นเราเลยเห็นกงจักเป็นดอกบัว เจ้าหัวเป็นคนบอกเลขไปพราอยู่ที่ไหนก็ถามเลขถามหาตัวดีไม่รู้จะเอาตัวดีมาจากไหนแล้วตัวดีถ้าเราบอกตัวดีก็คือสินห้าสินเปตัน 8. ตัวดีก็คือเจ้าของมันนะไปจะมาดีเท่าเจ้าของ <c oughs> เทศทำมาจากจบไปอาญาโกนธัญญาก่อแต่วิชีทั้งข้าฟัง พระอายะโกนทัญญากว่าดวงตาเห็นธรรมจิงใดสิ่งหนึ่งความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาหลายก็ดับไปเป็นธรรมดายังจริงจิสมุทะยะธรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติได้สิ่งหนึ่งความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาลหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นธรรมดาเกิดธรรมจักขุ ท ร, รมาจะขู่ขึ้นฟังแล้วก็อาศัยท ร, รมาชลดรถของพระธรรมกับเราทันอาหารกินอาหารนี่โอชลดในอาหารอันอะไรเข้าไปก็มุ่งหมาย โ, โอชลดฟังเทศฟังธรรมก็เอารสของพระธรรมนี่เอาไปเกิดท ร, รมาจะขู่ขึ้นตาเห็นธรรมขึ้น ปัญจวัคคีทั้งห้าก็มีอากายาโกนทัญยานี่เกิดดวงตาเห็นี่ทำองค์เดียวเท่านั้น <c oughs> <c oughs> ต่อไปท่านก็มาเทศอนัตตะลัคนาสูตรอนัตตะก็มาจากอมอนัตตานั้นที่ว่าด้วยอนัตตาความว่างขันห่าว่างอาว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเข า, าเออกขันหานี่เป็นทุกข์เอาขันห่าเป็นประธานที่สอง ปัญจวัคคีฟังอีกรอบนี่เปิตาเห็นธรรมบรรลุนะอิจหลุดพ้นด้วยกันทั้งหมดทุกองห้าองค์เข้าใจเรื่องว่าเป็นอนัตตาเหตนาก็เป็นอนัตตายาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาท่านก็ถามไปถามปัญจวัคคีนะนะั่นละวรรคที่สองก็ถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง เที่ยงพระเจ้าข่าได้ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั้นท่านก็ถามไปปัญจวัชีก็ตอบลุกขั้งพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าข่าถามต่อไปจนถึงวรรคที่สามยังจินจีลูปังอัติตาลูกในอดีตอัตติตานาคตะปัจจุป น, งนังถ้าดังนั้นลูก ในอดีตลูบในอนาคตลูบภายลูบภายในลูบภายนอกลูบหยาบลูบละเอียดลููบคุมลูบปณะนิดลูบไก่ลูบไก่นเนตังมะมะสัพพะลูปังนั่นสัพพะไปว่าหลาทั้งหลายทั้งพวงลูบทั้งหลายทั้งพวงตังมะมะไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา ท่านถามไปเป็นตอนๆไปอย่างนี้ปัญจะว่าขีตอบตัวความเข้าใจพอเสร็จก็เ อ, อิดเห็นรูปเป็นอนิจจังเห็นขนันหาเป็นอนิจจังทุกคั้งอนัตตารูปเปสุปีนิบินติเนี่ยเบื่อหน่ายในรูปเกี่ยวครองนล้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นนายในเวทนาเวทนาเวดนานยปีนิบินติน เบื่อหนในเวทนาสัญญายาปีนิบินติเบื่อไหนในสัญญานิพิธาไปว่าเบื่อไหน่ิลาคะไปลว่าคลายความยินดีอิของปัญจวัคคีจึงเบื่อไหน่คลายความยินดีจึงหลุดพ้นจากอันห้าขันห้านี่คือทุกข์หลุดพ้นจากทุกข์ ทุกทั้งหลายก็ย่นยาะลงมาอยู่เหลืออยู่กล้กับใจใกล้กับใจก็เรียกว่ารูปกับนามรูปหนึ่งนามสีก็เรียกว่าขันหานี่น่ะจิตของปัญจวัคคีย์ก็หลุดพ้นจากขันหานิมุตติยิงสุติหมดนี่นี่ก็หลุดพ้นไปอย่างนี้เราไปสูตรที่สามอธิตละลัคนาสูตรอุรที่วะคลองร้อนสูตรนี้ก็ไปสวดไปเทศให้ ดินสามพี่น้องฟังอิมแม่น้ำขย่ยังขย่ยังวิหารติคนพี่ก็มีบริวารอยู่ห้าร้อยน้องคนที่หนึ่งก็มีบริวารอยู่สามร้อยน้องคนที่สามก็มีบริวารอยู่น้องคนที่สองก็มีบริวารอยู่สองร้อยรวมกันเป็นหนึ่งพันพอดีเตุอยู่ที่นี่ ฉดินสามพี่น้องกับบริวารหนึ่งพันบรรุกเทศเรื่องของร้อนนี่นะพวกะดินพวกนี้เกิดบูชาไฟตั้งแต่ก่อนฉันก็เลยพูดเรื่องของร้อนไฟที่บูชานั่นไม่ใช่ของร้อนไฟที่เกิดจากลาคขินาโทสักขินาโมหขินานมันร้อนกว่า น, นั้นอีก ท่านแสดงให้ฟังไปอันหมูนั้นเอาน้ำดับได้ไปลาคะไฟโทสะใครโมหันไม่มีน้ำอำมฤตศักดิ์สิทธิ์ดับได้ต้องดับด้วยสติปัญญาเท่านั้นจึงจะดับได้ท่านจึงมาเทศโปรดเอาใช้ดินสามพี่น้องและบริวารบรรลุหมดได้ สาวบรวมขึ้นอีกหนึ่งพันพอดีทำไมถึงบรรลุถึงขนาดนั้นฟังแล้ว <c oughs> มันละเอียดมากนะก็ไม่ใชอ่อะไรดอกตาเห็นรูปนี่นหะตาก็เป็นของร้อนนนะรูปก็เป็นของร้อนยานตาก็เป็นของร้อนนี่นะอาทิตย์ของร้อนก็ยกตัวอย่างอายตนะภายนอกภายในนี่นะแหละกระทบกัน อูดแสดงย่อๆให้ฟังอัจฉระภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดธะพะธรรมลมมะอัจฉรยะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอัตฉรยะภายนอกหกอัจตนะภายในหกกระทบกันเกิดความรู้ขึ้นนี่อันนี้ก็คือขันหานเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นเกิด นี่หละลูกเรียกว่าลูกกับนามอิงอาศัยกันเกิดกายกับใจอิงอาศัยกันเกิดเกิดเวทยิตังเมื่อเกิดพัสสายานอายตนะภายนอกนี่คงรู้จักทุกคนนะตาหูจมูกลิ้นกายใจหอกอย่างนี้เรียกว่าอายตนะภายนอกหรือเรียกว่าวัตถุกรรมก็เรียกวัตถุภายนอก อายตนาภายในคือตาหูจะลูจะหมิ้นกายใจเรียกว่ากิเลสกามกามภายในทำให้เกิดกิเลสกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นแล้วก็เกิดผัสสะนั่นแหละผัสสะคือการกระทบกันเหมือนกับแพะกับแกะชนกันเหมือนกับวัวกับควายวัวควายชนกันมากัดกันเกิดผัสสะขึ้นกระทบกันญาณรู้ขึ้นแล้ว ผัสสะผัสสะแปลว่าสัมผัสหรือแปลว่ากระทบพอตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสมากก็วิญญาณรู้ขึ้นมันก็ส่งไปกระทบใจใจของเราเป็นธาตุรู้ยืนลงอยู่ไปทบกระทบกันผัสสะแปลว่ากระทบจิตก็เกิดอารมณ์ออกลับอารมณ์ขึ้นมาเรียกว่าเวทยี่ตังเวทนาเกิด เวทนาผัสสะเกิดก็เกิดทำให้เกิดเวทนาเวทนาเกิดก็เกิดเวทนานะมก็มีอยู่สามอย่างสุขเวทนาเกิดหรือยินดีพอใจเกิดความสุ ข, ขเวทนาเกิดก็เรียกว่าลาลาะลาคคินานไปลาขานเกิดไม่กิจไม่ใจของเราเป็น สุขเวทนาทุกขเวทนาเกิดเกิดโทสะก็เรียกว่าปฏิคานุสัยอทุกขมะสุขเวทนาเกิดก็เกิดอวิชานุสัยขึ้นนี่แหละเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นความโลภเกิดขึ้นก็เรียกว่าราคานุสัยตามนอนท่านี่ความโกรธเกิดขึ้นก็เรียกว่าปฏิคานุสัยตามนอนกุเบคหาเวทนาก็อวิชานุสัยตามนอน เี่ฟังเขาจา ง, ง่ายๆสูตรนี้จะเรียกว่าเวทนาสูตรก็ก็ฟังง่ายเหมือ น, นกันเวทนาสูตรไม่เรียกว่าอาทิตตลักษณะสูตรก็ได้เมื่อเวทนาเกิด เ, เกิดยินดียินไล่ขึ้นมานก็เรียกว่าอนุสัยตามนอนไอ้ก็คือกิเลสตามนอนความโลภความโกรธความหลงตามนอนก็มีแค่นี้อันหา้า เกิดแล้วก็ดับเท่านี้ตาเห็นรูปตากับรูปกระทบกันเกิดวิญญาณรู้ขึ้นแล้วก็ดับนี่นี่แหละเรียกว่าสังขารเกิดดับลูกกบนามปรุงแต่งกันขึ้นปรุงแต่งกันขึ้นแล้วก็ดับสังขารเกิดดับหูได้ยินเสียงเสียงภายนอกก็ปรุงแต่งกันขึ้นมาหูก็เป็น สังขารภายในปรุงแต่งขึ้นมาวิญญาณก็พุงแต่งกันขึ้นมานี่แหละพวกนี้แหละสังขาร น, นี่แหละคือสิ่งผสมปรุงแต่งกันขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับกลายเป็นอดีตไปแล้วมีเหตุเหตุในอดีตอดเหตุมันเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วกอมากลายเป็นผลในปัจจุบันเกิดวิญญาณ นามลูกอายตนะผัสสะเกิดเวทนาเกิดนี่แหละปัจจุบันอดีตเหตุมากลกายเป็นปัจจุบันผลเกิดเวทนาขึ้นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมาสุขเวทนาเวทายตังเกิดขึ้นแล้พัสสะเกิดมันก็มีแค่นี้น่าจะบรรลุอยู่เรานั่งฟัง้งละความโลภความโกรธความหลงได้ ดับความโลภความโกรธความหลงใดก็เห็นพระนิพานความโ ล, มลนนภ ม, โลมันเกิดขึ้นจากไหนมันเกิดขึ้นจากอยายตนะภายนอกภายในกระทบกันนี่เกิดจากผัสสะเกิดจากเวทนานเวทียตังนั่นลูกขั้งว่าดุกขั้งว่าอดุขมะสุขขั้งวาขข่าเนี่ยถ้ า, าสุ ข, ขังเกิดขึ้นก็เรียกว่าลาคานุไยตามนอนความโลภตามนอน นี่แหละตัวที่เหว่าอาสวะนะกามาสวะก็เกิดจากตัวนี้แหละกามาสวะนะี่ภาวะสวะนี่ก็เกิดจากโทสะนี่แหละเมื่อเกิดทุกขเวทนาเกิดไม่ยินดีพอไม่พอใจเกิดขึ้นทําให้กระทบกระทั่งจิต ก, กระทบกระทั่งขึ้นมาภาวะนี่คือการกระทบกระทั่งจิตออกรับอารมณ์ เรียกว่าภาวาภาวานุสัยตามนอนหรือปฏิคานุสัยปฏิคฆาคือการกระทบกระทั่งกันแปรใส่กันเป็นอันเดียวกันอันนี้นี่แหละกามาสะวะภาวาสะวะอวิชาสะวะก็ อ, อันเดียวกันนี่แหละอุเบกขาเวทานาเกิดเนี่ยรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันสังขารจิตไม่รู้เท่าสังขารเมื่อ ขันห้าเกิดสังขารเกิดดับจิตรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันสังขารอาวิชาปัจญาสังขลาเนเพราะจิตรู้ไม่จริงนี่แต่ลู้หลงรู้ผิดรู้จา <c oughs> ไม่รู้จริงจิตนะรู้จริงคือยังไงรู้ว่ามันเกิดมันดับนี่แหละรู้จริงมันเกิดมันดับแล้วก็ยังไปไม่ไม่ดับนะยังไป ยึดไปถือเอาอยู่ตายเห็นรูปมันดับแล้วนี่แหละนี่แหละสัจจะคือความจริงคือขันห้าเกิดดับเกิดกับดับพร้อมกันนะพิสูจน์อายตตะนาภายนอกกระทบกับอายตตะนาภายในวิญญาณรู้ขึ้นเกิดแล้วก็ดับถ้าใครเห็นตายเห็นรูปเกิดดับมูได้ยินเสียงเกิดดับเป็นต้นไปจนถึงธรรมรมเกิดแล้วดับก็เรียกว่า ท ร, รมาจากขู่ดวงตาเห็นทรรมเนี่ยเห็นอะไรเห็นเกิดเห็นดับนี่แล้วนี่เราเห็นสัจจะเกิดแล้วมันก็ดับเห็นแล้วมันก็ดับถ้า <c oughs> ไม่เดิไม่ดับเราก็เปกํกำหนัดขัดเครืองในขันห้าคืออุปทานขันห้าแหละทีนี้ตัวสังขารก็เลยปรุงต่อยเอาคิดถ้าเห็น โอ้อันนี้สวยอันนี้งามอันนี้น่าอยากหน้ากินมันก็ปรุงไปตัวสังขันปรุงไปแต่งไปก็ทำให้เกิดความโลกขึ้นถ้าปรุงไว้ไปว่ามันไม่สวยไม่งามน่าเกลียดเน่าเหม็นอยากขับไร่ใส่ทรงนี้ก็เรียกว่าโกรธไม่พอใจเรึงว่าปฏิคานุัสตามนอนก็มีแค่นี้ถ้าราคา นุสัยตามนอนก็เท่ากับราคานุสัยตัวนี้ก็เท่ากับตามาสวะพะวาสวะก็เท่ากับความกระทบกระทั่งคือไม่ยินดีไม่พอใจเรียกว่าปฏิคานุสัยตามนอนหรือพะวาสวะนุสัยอวิชามันตรงอยู่แล้วอทุกขมาสุขเวทนาจิตรู้ไม่จริงก็เลยไป ทำให้เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาเรียกว่าอิชฉาตามนอนอืมนี่แหละดับความโลภความโกรธความหลงได้ดินสามพี่น้องและบริวารดับได้ไม่ได้อยู่ที่อื่นนี่แหละมันเกิดมันดับนั่นแหละเรียกว่าธรรมจักขูดวงตายถิ่นธรรมแล้วถ้าใครยังไม่บรรลุก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วธรรมะจักขูเหมือนกับพระายากุทัญญา เกิดดวงตายเห็นทำรำมาจากขุ่ยิ่งสิ่งได้สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาถึงทั้งหลายเหล่านั้นก็ดับไปเป็นธรรมดานั้นตายเห็นลูกก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานี่โอ้ได้ยินเสียงก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นเกิดเห็นดับนี่เนระียกว่า รรมาจากสุท ร, รมาจากขู่ดวงตาเห็นทรรมแต่ไม่ใช่ธรรมดานั้นเกิดแล้วมันไม่ดับเลยเราหลงเรารู้ไม่จริงอวิชานุสัยตามนอนอิเลดตัวความหลงตามนอนในจิตในใจเราเราก็เลยไปอุปทานเอาอันห้าไปกำหนัดขัดเครื่องในรูปที่เราเห็น ในเสียงที่เราได้ยินกำหนัดก็ยินดีขัดเครื่องก็ยินไายไม่พอใจนี่แหละเกิดขึ้นเมื่อความยินดีเกิดขึ้นกลัวสังขารใจมันก่อนนึกคิดปรุงแต่งไปนี่ว่าสวยว่างามว่าอยากได้อันนั้นอันนี้ขึ้นมาก็เกิดตัณหานี่ยนะเรียกว่าสมุ ท, ทยัย กรมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาการมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาที่เราสวดไปนั่นน่ะนั่นน่ะเกิดจากนี่กรมตันหาไม่ได้เกิดที่ที่อื่นหมูได้ยินเสียงก็เหมือนกันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเหมือนกันปดทพะธรรมลมเหมือนกันเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นนี่แหละสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์ นีแหละสังขารนี่แหละสังขารมันเกิดมันดับนี่แหละเรียกว่าทุกข์ทุกอริยสัจจริงที่เราสวดไปนั่นอีดังลูกข้างอริยสัจจันติเมพิขเวนทุกดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะั่นทุกคืออริยสัจจริงเนี่ยเนี่ยทุกมันเกิดขึ้นอย่างนี้ตลอดวันไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกเกิดขึ้นมีแต่ทุกดับไปอย่างนี้ มันจริงอยู่อย่างนี้ขันห้าเกิดดับอย่างนี้ขันห้าสังขาร น, นั่นละ่ะรูปกับนามนั่นน่ะปรุงแต่งกันขึ้นสังขารเกิดดับสังขารไม่เที่ยงนั่นน่ะขึ้นชื่อว่าสังขารนี่ไม่เที่ยงสักอันสักอย่างนั่นน่ะในโลกเนี่ยมันเกิดมันดับอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจความหมายอย่างนี้นี่แหละคำว่าทุกอริยสัจจริงสัจจะคือความจริง อริยะแปลว่าประเสริฐความจริงอันประเสริฐนี่ไม่มีใครแก้ได้พุกมันเกิดมันดับอยู่ตลอดวันอยู่อย่างนี้ตายเห็นลูกก่เกิดนั่นแหละมันเกิดเองดับเองมันทุกข์เองของมันอยู่อย่างนั้นขั้นห้าถ้าเราไม่ไปกำหนดขัดเครื่องไม่ไปอุบทานขั้นห้ามันว่าโดยย่อ อ, อุบทานขั้นห้านี่แหละคือทุกข์นี่แหละสูตรนี่แหละเออ เข้าใจง่ายนะอยากไปเทศให้คนฟังแจกให้คนฟังใ้โลกเขารู้จักมันง่ายมากอันนี้ง่ายมากเกิดเวทายตังกายกระทบกันยินร้อนอ่อนแข็งเรียกว่าโพธทธภพนะถ้ากระทบกันกับผู้หญิงผู้ชายกระทบกันก็เรียกว่ากร ะ, กระทบกับสัตว์โลกถ้ากระทบกับอากาศก็เรียกว่าโอกาสโลกเกิด เบท้ายิ้ตังขึ้นมาวิญญาณรู้ขึ้นมาผัสสะเกิดเบทยิตังถ้าสุกเกิดก็เรียกว่าราคาโนสัยตามนอนหรือเรียกว่ากามราฆะหรือกามมาสวะเนี่ยเนี่ยเรียกอันเดียวกันนะคนละ อ, อย่างเฉยๆนะเราเลยงงเราเลยหลงไม่มีครูบาอาจารย์รู้จริงแจกไม่มีใครแจกให้ฟัง กา ม, มาสะวะภาะวะสวะอภิบาสวิชาสะวะมันเกิดอย่างนี้ก็อันเดียวกันละ่ะกิเลสคืออนุสัยนั่นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนั่นราคาอนุสัยตานอนก็กา ม, มาสะวะอันเดียวกันภวาสะวะกับปฏิคาอนุสัยนั่นกิเลสอย่างละเอียดนในเืออนุสัยสามนี่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ ฟังออกไมหมหลังเทศย่อให้ฟัง Same, <St> ง, ง่ายๆนี่เวลาออกไปเดินปัญญามันจะเกิดหลุดพ้นไปง่ายๆนี่ใช้คำพูดง่ายๆนี่แหละไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นไกลหดอกกามาสวะพวาสวะอวิชาสวะเนี่ยที่อยู่สมัยพระพุทธองค์ท่านเทศเป็นภาษา มคดภาษาบาลีผู้ฟังก็เข้าใจภาษาวาลีภาษามาคตจึงเข้าใจง่ายอันนี้เพียงแต่ไปเรียบเรียงไปจัดเอามาตามคำที่ท่านสวดมาอาธิบายแจ ก, กให้ฟังเฉยๆนี่แหละสิ่งได้เกิดสิ่งนั่นต้องดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั่นต้องเป็นทุกข์เนะี่รู้จักทุกข์หรือยังที่เนี่ย อะไรทุกข์ล่ะสังขาร น, นี่เ น, นี่ทุกข์ขันห้า น, นี่แหละก็ทุกข์อะกายกับใจนี่แหละยิงอาศัยกันเกิดหรือเรียกว่าอัญญามัญญะปัจจัยเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดเรียกว่าตายกับใจอิงอาศัยกันเกิดหรือปฏิจจสมุปบาทรูป ก, กับนามอิงอาศัยกันเกิดกระแสปฏิจจสมุปบาทกระแสแห่งความโลภความโกรธความหลงนี่อันเดียวกัน กระแสอวิชากอันเดียวกันเมื่ออวิชาเกิดกับความโลภความโกรธความหลงยังเกิดอวิชาเกิดเกิดดับความโลภความโกรธความหลงถ้าวิชาอาวิชาดับเกิดความโลภความโกรธความหลงก็ดับมันมีปฏิจจสมุปบาทมันมีสายเกิดสายเกิดอวิชาปัจจญาสั้งขาลารสั้างขาลาปรปัจญญาวิญญาณัง นี่ะสายเกิดอวิชชาตเววานะ่งทั้งขานก็ดับทั้งขานดับวิญญาณก็ดับนี่โลโทนมันมีเกิดกับดับเท่านี้อริยสัจสีอริยรสัจสีกับปฏิจจชนุปฏิจสมุปบาทมันอันเดียวกันนะอย่างที่เคยเทศให้ฟังเรื่องวิปัสสนาภูมหกนะปัญจขันธานันขันหา้าอายตนะ สิบสองนี่ก็พูดอันเดียวกันเนี่ยัหากับอายต่หนสิบสองก็อันเดียวกันทำไมถึงว่าอันเดียวกันอายตัตนะาภายในนี่ตาหูจมูกลิ้นกายสงคอเข้าเรียกว่าลูกเอาทับลงใส่ลูกใจก็ทับลงใส่น้ำลูกกับ น, น้ำนี่ก็เรียกว่าขันห้าเอาทับใส่ลูกก็ถูกน้ำเอาใส่ทับ ใส่นามก็ถูกลูกเพราะลูกกับนามยิงอาศัยเนื่องอยู่ด้วยกันอายตนะนี่ก็เรียกว่าขันห้าอาทสิบเอด 18, ก็คือขันห้าอินทรีย์ยี่สิบสองก็คือขันห้าอืริยสัจสีก็คือขันห้าเกิดดับคือเก่าปฏิจจสมุทบาทก็กระแสแห่งความโลภความโกรธความหลงกระแสแห่งทุก ก็ขันห้าอิงอาศัยกันเกิดกเก่าหลายเกิดก็เรียกว่าอาวิชาปัยายสังขรานจนไปถึงอีมัดสาเกวารัศดาดุขาขันทัสสะสมุทโยโหตินพุกทั้งหลายสมุติแปลว่าเกิดขึ้นพุกทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นด้วยปกาลฉะนี้อวิชาตตเววะอเซสสวิลาคานิโลธาสังาลานิโลโทนะั้น เมื่ออวิชชาสับดับสำลอกไม่มีเหลือนะั้สังขารก็ดับเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับนี่โลธาดับไปเรื่อยๆจนถึงอิมัสสะเจวรสสะดุคคันทัสสะนี่โลโทโหโติทุกทั้งหลายทั้งปวงกระจับดับด้วยปกาลชนีพทุกทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาเหลืออยู่ขันห้านี่แหละขันห้านี่แหละคือทุกข์อ่ะ สังขารนี่แหละคือทุกข์อ่ะสังขารทั้งหลายนี่คือสิ่งผสมปรุงแต่งกันขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ด <ibles> ับเนี่ยขันห้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับเนี่ยนี่แหละทุกเกิดอ่ะทุกตั้งอยู่ทุกดับไปนั่นอ่ะไม่มีอะไรตลอดวัน่มีแต่ทุกเกิดขึ้นมีแต่ทุกดับไปมีแต่ทุกตั้งอยู่มีแต่ทุกดับไปทําไมถึงว่าอย่างนั้นก็ขันห้านี่แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป อะไรคือขันห้าอาจจะแต่นะภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณเกิดขึ้นก็เรียกว่าขันห้าเรียกว่าลูก่กำน้ำยิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับอันนี้รู้จริงนี่อ่ะอวิชชาดับลงไปทั้งขานก็ดับเนี่ยมันดับอยู่ตรงนี้เมื่อเราเห็นอวิชชานี่คือรู้รู้ไม่จริงรู้หลงรู้ผิดรู้จํา รู้จริงคือยังไงรู้จริงคือมันเกิดแล้วดับนี่คือสัจจะรู้จริงคือรู้อริยสัจสีเนี่ยเนี่ยรู้จริงรู้อริยสัจสีด้วยญาณสามเนี่ยรู้ว่าขันห้าเกิดดับเนี่ยรู้จริงสัจจะเนี่ยสัจจะคือความจริงเนี่ยไม่ได้รู้อีกที่อื่นอ้าความหลงดับลงไปก็อวิชชาดับ มันหลงอะไรหลงสังขารสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับอะไรดับต่อทอดกันไปหมดอวิชชาดับวิชาก็เกิดขึ้นอวิชชานี่แหละทำให้เราไปอุปทานเอาขันหาตาเห็นลูกหูได้ดยินเสียงก็ท่ากำหนัดขัดเครื่องในขันหาเพราะอุปทานขันหาตัวสังขารก็นึกคิดปรุงแต่งไปปรุงว่าสวยก็เกิดยินดีพอใจปรุงว่าไม่สวย ว่ว่าไม่อิทธาลมอนิทธรลมก็เรียกว่าราคานุตสัยปฏิคานุตสัยอนุชานุสัยตามนอนเท่านี้ไม่ได้ไปหาอยู่ที่อื่นหรอกดับทุกก็ดับที่นี่นั่นทุกทั้งหลายเกิดจากขันห่านเกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงทุกขันห่านทุกทั้งหลายย่นย่อลงมาเหลืออยู่ขันห่านย่อลงมาเหลืออยู่ น้มสีย่อลงมาเหลืออยู่ใจตัวเดียวหรือเหลืออยู่เราคนเดียวเท่านี้พอดับทุกข์ก็ดับเราหนิแหละขั้นห้าเกิดเราก็ไปหลงขั้นห้านี่แหละอวิชานี่คือเรานนิแหละอวิชาก็คือตัวเรารหลงว่าเรามีอยู่ในขั้น 5. ห้าหลงว่าขั้นห้ามีอยู่ในเรานี่แหละหลงว่าเราเป็นขั้นห้านหลงว่าขั้นห้าเป็นเรานี่แหละไม่ได้หลงอยู่ไกล้ดอก พิจนามาจนนั่นแล้วหลงว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเมื่อมาพิจารณาเห็นขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายนี่เราหลงอยู่แค่นี้แหละไม่ไปหลงไกลหรอกเมื่อขันห้าเกิดดับนี่ขันห้ามันทําหน้าที่เองเป็นสัจจะความจริงของมันอยู่อย่างนั้นมันทุกข์ก็ทุกข์เองของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ไปอุเปิท่าน ไม่ไปแบีกเอาทุกข์อืมถ้าเรารู้จริงเราก็วางรู้ว่ามันสัจจะมันเป็นจริงอย่างนี้หน้าที่ของใครของเราเขาทํางานกันอยู่อย่างนี้เป็นอริยสัจจริงอยู่อย่างนี้นี่ทุกข์คืออริยสัจจริงขันห้าเกิดดับสังขารนี่แหละเกิดดับอ่ะเรียกว่าทุกข์ไงกําหนดรู้นี่ท่านให้กําหนดรู้อย่างนี้ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้นี่ทุกข์คืออริยสัจจริง นี่สัจจะคือความจริงทุกมันเกิดมันดับอยู่นี่เป็นจริงอยู่นี่วันหนึ่งวันหนึ่งทุกมันเกิดกี่ครั้งดับกี่ครั้งมีแต่ทุกข์เกิดทุกขตั้งอยู่ทุกดับไปตลอดวันไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงสลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ทุกข์เกิดดับอยู่อย่างนี้วันหนึ่งวันหนึ่งนอกจากเวลานอนหลับนอนหลับยังมีฝันขึ้นอีกเสียด้วยนะ ถ้าอารมณ์ไหลออกจากจิตไปเห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาก็ว่าเจ้าของฝันเห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาก็อุปทานออกบางคนไปฝันไปตีใส่เลขใส่หัวยิ่งฉิบหายไหยพ่ ว, วงพวกเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้นะภาษาอะไรขันห้ามันทํางานอารมณ์เก่าไหลออกมาจากใจทำอารมณ์นั้นไหลออกไปก็ว่าเจ้าของฝันนั่งอยู่ เขาก็เรียกว่าคิดนอนอยู่เขาก็เรียกว่าฝันจะไปถืออะไรไม่มีหรอกให้เข้าใจอย่างนี้นะเอาไปเอามาเราจะรู้เท่าเอาทันขันห้าดับขันห้าได้กว่าเห็นพระนิพานเท่านั้นนี่แหละไม่มีอะไรมากมายกว่านี้ไปดอกที่ไปหาภาวนาอยู่ที่นั่นที่นี่ไปศึกษาอยู่ที่นั่นที่นี่ก็อยู่ที่ ตัวของเราหมดนั่นแหละย่อลงมาเหลืออยู่ใจดวงเดียวนั่นขันห้ก็คือรูปกับนามรูปหนึ่งนามสี่เนี่ยรูปหนึ่งนามสีก็เรียกว่าขันห้านามสีนั่นเป็นกิริยาอาการของใจใจงก็ใช้ขันห้านี่ละขันห้าทำงานตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงขันห้าก็ทำงาน เป็นต้นตายเป็นลูกหูได้ยินเสียงเป็นต้นขันห้าก็ทำงานเมื่อใครไม่รู้จากขันห้าว่ามันเกิดมันดับมันเป็นอริยสัจจริงอยู่อย่างนี้มันทำงานของเขาอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้จากขันห้าจึงมาอุปทานเอาขันห้าจึงมาแบกเอาโรกแบรกอารมณ์แบกรแบกเอาขันห้า ก, ก็เลยเกิดกาหนัดขัดเครื่องในโลกในอารมณ์ ในขันห้าขึ้นมานี่แล้วตัวพบตัวชาติมันเกิดอยู่ที่นี่ขันห้าเกิดพบหนึ่งชาติหนึ่งพบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่อยู่อย่างนี้พบใหญ่พบน้อยพบใหม่พบเก่าก็ตาเห็นคนเก่าตาเห็นอันเก่าก็เรียกว่าพบเก่าหูได้ยินเสียงเก่าก็เรียกว่าพบเก่าหูได้ยินเสียงใหม่ก็เรียกว่าพบใหม่พบน้อยพบใหญ่อเนี้อนันพบ เนี่มันมีมีที่ไหนล่ะถ้ารู้เท่าเอาทันอย่างนี้อืมนี่แหละรู้เท่าเอาทันขันห้าอืมนี่แหละเรียกว่าวิชาวิชานะอะวิชาก็ใจรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันขันห้านีจิตรู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชาสังขารก็คือขันห้านี่แหละสิ่งผสมปรุงแต่งกันนี่เนี่ย ขันห้าก็คือทุกเกิดทุกดับนี่เนี่ยกายสังขันวิจีสังขันจิตจะังขันนี่เนี่ยมันเกิดมันดับอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละขันห้าจิตรู้เท่าสังขานคือยอดแห่งวิชาจิตรู้ไม่เท่าสังขานก็ไปถือเอาวิญญาณเนี่ยนะไปหลงเอาขันห้านี่เนี่เกิดดับแล้วก็ไม่ดับแล้วที่เนี่ยเกิดโลภเกิดโกรธเกิดล้มขึ้นมานี่แหละถ้าจิตรู้เท่าสังขันก็คือยอดแห่งวิชาท่านก็ดับ ดับสังขารได้อวิชชาดับเนะี่ะวิชาก็เกิดขึ้นมาเท่านี้ไม่ได้ไปขอจากใครหรอกไม่ได้ไปขอจากใครหรอกเออวิชากับอวิชานี่เขาคนคนเดียวกันนี่แหละผู้หลงก็คือเราเนี่ยแหละผู้รู้ก็คือเรานี่แหละไม่ใช่ไปแค่คนอื่นรู้หรอกอืมหลงอะไรหลงขั้นห้านี่แล้ว อไม่ใช่หลงที่อื่นหลงขั้นห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่เนี่ยหลงรูปหลงกายเจ้าของเนี่ยนะพระพุทธองค์จึงให้มีสติ <c oughs> ให้มีสติพิจารณาดูฐานทั้งสี่เรียกว่าสติประฐานสี่ฐานที่แรกก็คือกายเอากายเป็นฐาน <c oughs> ฐานพิจารณา ฐานเป็นที่ตั้งฐานเป็นที่ตั้งเหงการปฏิบัติให้เกิดปัญญาฐานใดฐานหนึ่งในสี่ฐานสติปัฏฐานสี่น่กายานุปัสนาปฏิปทานเวทนานุปัสนาปฏิประทานอิตานุปัสนาปฏิประทานธรรมานุปัสนาปฏิประทานนั่นสรุปแล้วกายก็คือรูปนั่นแหละเวทนาจิตก็คือธรรมนั่น คือน้ำนั่นแหละทํามานุปัสสนาปฏิปทานก็คือทำทั้งหลายก็คือกายกับใจนี่นะคือลูกกับน้ำนั่นแหละเออไม่ได้สรุปลงที่อื่นนะก็สรุปลงขั้นห้าคือเก้านี่แหละลูกกับน้ำคือเก้านี่แหละสติปทานสี่แต่ขยายออกให้เราเห็นกายในกายนะ่ะตัดแต่ว่ากายนะั้นแต่แต่เขาตั้งสมมุติ ตั้งชื่อว่ากายเฉยๆเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมก็พูดเป็นสำนวนไปเฉยๆกายในกายจะเรียกว่ากายหยาบก็อาการสามสบสองเนี่ยมีอยู่ในกายถ้าพูดละเอียดลงไปก็เห็นกายในกายก็คือเห็นลมให้ใจเนี่แหละเรียกว่ากายในใจกายวิ่งเข้าไปในกายเจ้าของนี่ย ดินน้ำลมเนี่ยแหละลมให้ใจเนี่ยแหละวิ่งเข้าไปในกายเนี่ยก็เรียกว่ากายในกายท่าน <c oughs> ดูง่ายอยู่ <c oughs> เห็นเวทนาเขเวทนาก็เกิดจากนี่แหละจากลมให้ใจเนี่ยคนไม่มีลมให้ใจเวทนามันเกิดจากไหนทุกเวทนาทุกเวทนามันจะมาเกิดจากไหนคนตายมันมีสุขมีทุกข์อยู่หรือเออต้องเข้าใจหมู่พวกนี้นี่แหละ พระพองค์จึงสอนให้เราละสักยทิฏฐิเป็นพระโสดาบันละสังโยชน์สามนั่นนะสักยทิฏฐิวิกิจิจช้าศิลพัพน์ปรมารสักยะทิฏฐิก็สรุปลงที่ขันห้านี่แหละอัตตาโนทิฏฐินตามเห็นว่าขันห้าเป็นตนนั่นตนเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในตนตนมีอยู่ในขันห้าดีอย่างนี้ อย่างละสี่ละสี่สี่ห้ายี่สิบทิทียี่สิบอย่างนี้นะ่ะเรียกว่าทิฐีวิปลิตวิปลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงพระพุทธองค์จึงให้แจกถอดกายออกมาคลี่ใครดูคลี่ใครออกมาดูปุดคุยออกมาดูแยกแยะออกมาดูเอาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยกรรมฐานห้าเนี่ยแยกออกมาดู หลงว่าเป็นสัตว์เป็นคนอยู่ในนั่นหลงว่าเป็นตนอยู่นั่นก็เอาคำถามนี่มาถามอ่ะเพื่อจะละทิฏฐิละมิจฉาทิฐิอดเอาอะไรออกมาหมดกรรมฐานห้าหรือกรรมฐานสามสิบสองนี่ก็ได้ถามอยู่นี่แหละถ้าเอาหนังออกมากับหนังเป็นตนหรือตนเป็นหนังหรือหนังมีในตนตนมีให้หนังหรืออย่างละสีละสี ถ้าเอาผมออกมากับผมเป็นคนหรือคนเป็นผมหรือผมมีในคนคนมีในผมหรือเนี่ยถ้าเอาเล็บออกมาเอาฟันออกมาก็ฟันเป็นเราหรือเราเป็นฟันหรือฟันมีอยู่ในเราหรือเรามีในฟันไหนละเราอยู่ไหนอยู่ไหนมารวมกันเป็นก้อนสะกลไกาเนีนยมีเรามีเขามีสัตว์มีบุคคลอยู่ในนี่อยู่หรือเวลาถอดออกมาทาไมไม่มีต้องหาหลักฐานพยานมายืนยัน ให้กับกิจกับใจจาข้องอยู่อย่างนี้พระโสดาบันต้องเชื่ออย่างมีพยานหลักฐานจึงจะละสกยาทิฏฐิได้เมื่อละสกยาทิฏฐิเห็นว่ากายถอดออกหมดแล้วกายไม่มีสัตวบุคคลตัวตนอยู่ในนั้นจึงจะเรียกว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตนเราเขาเนี่มันต้องหาหลักฐานพยานอย่างนี้ วิกิจช้าวความโลเลสงสัยก็ดับไปศิลพัฒน์ปรามาสก็หายไปเพราะว่าทำสามอันนี้เป็นหมวดเดียวกันถ้าละสกฤตทิฐิได้สองอย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงนี่ให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วนี่เวลาอายตนะภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นหายสงสัยเพราะว่าขันห่าง นี่แหละคือขั้นห้าขั้นห้านี่ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขั้นห้าเป็นขั้นว่างขั้นเปล่าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขั้นเปล่าคือไม่มีสลายแกล็สารเกิดขึ้นแล้วก็ดับเท่านั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาเมื่อตายเห็นลูกหูได้ยินเสียงก็ไม่มีปัญหาไม่มีตัณหาปัญหากับตัณหากันเดียวกันนั่นแหละมีปัญหาแหรอ เห็นลูกสวยๆเน่ะนะมีปัญหาแล้ววันเนี้ยนั่น่นนเห็นเขาเอาหมาเน่ามาไว้ใกล้กุฏิที่พักมีปัญหาแล้ววันเนี้เอออืมใครเอาหมามาทิ้งเอาของเน่ามาทิ้งไว้ใกล้ๆ น, นี่ปัญหากับตัญหาก็คือเดียวกันคือความโกรธนี่แหละไม่พอใจยินดีเกิดขึ้นแล้วมันก็มีแค่นี้นะไม่มีอะไรนะ ให้เราท่านทั้งหลายนําไปไข่ควรพี่และนาดูวันนี้ก็พูดมาพอสมควรในเวลาเอวังอาทิตย์ของร้อนตาก็ร้อนรูปก็เป็นของร้อนวิญญาณก็เป็นของร้อนยายเอ้ยพวกเราไม่รู้จักว่ามันร้อนจึงไปแบกเอาของร้อนมันจึงเป็นทุกข์ พูดเพื่อให้รู้จักทุกเฉยๆหอกเกรินว่าทุกทุกจักมันยังคือทุกพอเข้าใจบ้างไหมล่ะแม่ใหม่ฮะทุกอะอะเราก็เข้าใจบ้างไหมล่ะทุกอะเทศก่อฟูอย่างนี้ล่ะสังขารเกิดดับนี่แหละคือทุกอะไม่รู้จักทุกจะไปดับทุกได้อย่างไงก็จะแปลกเอาทุกอยู่คือเก่าอันตร์ออฮะ ใกล้มากแม่เทศให้ฟังนไงฮะใกล้เข้าทุกทีทุกทีแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอยู่นั่นดับความโลภความโกรธความหลงได้พระนิพพานคือดับความโลภความโกรธความหลงนั่นความโลภความโกรธความหลงมัเกิดจากนี่เกิดจากขั้นห้าใช่ไหมแม่โซฮะมันเกิดจากอะไรความโลภความโกรธความหลงอ่ะ ดับขันห้าได้ก็ดับความโลภความโกรธความหลงได้ขันห้าคืออะไรล่ะที่ไหยมันดับไม่ได้ดอกขันห้ามันก็มีคือเก่าเนี่ยแหละแต่ก่อนไปพิจารณาใหม่ๆห่วยคิดว่าเขาดับขันห้ามันดับอย่างงี้ไม่ใช่ไปฆ่าขันห้าไปประหารขันห้าต้องรู้เท่าเอาทันขันห้าเท่านั้นเวลาขันห้ามันเกิดมันดับ ที่เราเห็นแล้วตลอดวันไม่มีอะไรเกิดมีแต่ขันห้าเกิดมีแต่ขันห้าดับขันห้านี่แหละเขาเรียกว่าสังขารจิ่งผสมปรุงแต่งกันขึ้นอะไรผสมปรุงแต่งดินน้ำลมไฟมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นวิญญาณมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นลูกกับน้ำผสมปรุงแต่งกันขึ้นนี่เขาเรียกว่าสังขารน่ะน่ะ สิ่งผสมปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่แหละเรียกว่าทุกเกิดทุกดับอ่ะมูจักไปมาไงฮะมูจักทุกเกิดทุกดับไปไม่รู้จากทุกเทศอย่างไงก็ไม่รู้จากทุกมองทุกขให้เห็นจึงจะเป็นสุขถ้าไม่เห็นทุกก็ไม่เบื่อหน่ายในทุกก็ไม่ละทุกได้ก็ไม่เห็นสุขเข้าใจมไหมล่ะแม่มีฮะ อะไรคือทุกข์อ่ะเหอต้องไปเดินปัญญาเจ้าของนะ่ะอันนี้เป็นตุยทางให้กุยทางให้เฉยๆอะไรคือทุกข์มองไม่เห็นทุกข์ขันห้าเกิดดับว่าแต่มันสุกตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนั่นแหละคือขันห้าเกิดดับเห็นก็มีสุขอยู่งั้นหืไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์นี่แหละเห็นมันหมุนอยู่เนีไย มันหมุนเกิดอยู่เป็นกงจักไงวัดแต่จักวัดแตจิตหมุนกิเลสมันหมุนอย่างนี้ เ, เราเรียกว่าโอ้ยไม่เห็นทุกข์นะเห็นลูกเห็นหลานมาเยี่ยมก็มีแต่ดีใจแม่นว่าย่ว่ทุกข์จะเทียบเหรอนะโอ้ยข่อยก็มออ่อนซานยังไหมูจาวสิมูจักทุกข์ไงฮะยังได้สีเบื่อนไนนี่ทุกข์ไห้ข่อย ทุกเกิดทุกดับเห็นทุกมันเกิดมันดับอยู่ทุกขนะว่า ว, าวา่มีสะละเจนสรัรว่ามีสัตว์บุคคลอยู่ในหันยังสี่เบื่อในใหด้ใหญ่เลงขยันเถอเป็นห่วงดอกเป็นห่วงดอกเป็นห่วงพวกท่านทั้งหลายดอกสองสารเมตตามาอาศัยครูบาอาจารย์แต่ว่าสูงเทศสูงก็ใช่ แต่ว่าตําก็ใช่มันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่ยนะตาก็ติดอยู่หน้าผากนี่นะหูก็ติดอยู่ขมับข้างนี่นะ่ะแต่หมูก็กายสั้นดังเธอเล่อยู่นี่แหละอืมลิ้นก็อยู่ในปากนั่นแหละแต่ว่าสูงก็ใช่อาหารกินเข้าไปก็เรียกว่าลูกภายนอกอายัแต่หน้าภายนอกลิ้นก็เรียกว่าอายัดแต่น้าภายใน เมื่อมันก็ทบกันความรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็คือใจคือน้ำความนึกคิดปรุงแต่งถ้ามันดับแล้วยังไปอร่อยอยู่น่ะนะความอร่อยน่ะนะไปยังไม่จบยังไปจึงปรุงแต่งว่าโอ้ยเอาไว้น้อยโทษว่างงินนะ <laughs> แนห่นว่ายายเออนี่แลมันปรุงแต่งไปงี้ก็เลยเกิด นี่แหละ เ, ลเกิดความโลภขึ้นมานี่แหละราคานุใสตามนอนเนี่ยู่วกไก่ได้ใช่เป็นตะไบรอดอยู่ในสัตว์นี่แม่นบอเออนี่แหละราคานี่แหละเพื่อนเอื้อนว่ากรมกามมาสะวะหรือราคานุใสอันเดียวกันเขาใจไปใหนี่ยเกิมก็เกิดข้อมอยากได้ขึ้นมาอีกอยากกินหลายคนนี่คือเอาไปหน่อยแต่ว่า ถ้าเอาเอาไว้หลายๆเอาไปกินแม่อร่อยเป็นไงล่ะยายโสโอ้ยแต่ไขว่าเอาไว้ซะแม่นว่าเนี่ยเฮ้ยนี่แหละปฏิฆาโนใาสาก็าตามนอนความไม่พอใจไม่ยินดีก็าตามนอนอยากตักออกจากถ้วยบังเด้พูนแล้วละ่ะอมืมันคือว่าเสีบแต่เลี้ยวบังสีบงังสันมันคือยังเป็นแต่เสีบแถวนาบันไม่กินเลยอยากไข่ออกทิ่มคนแล้วนั่น่ะ นี่แหละภาวานุัยกาามาสวะภาวาสวะนอวิชาสวะก็ยุ่นี่แหละเข้าใจว่าหลังโอ้กว่าสิแม่ว่าให้ฟังในกัญสีอยากให้มเจ้าเข้าใจอยากให้มเจ้าฟังเราเอาเพราะมีอยังเหมือนี่ไปอีกไปคนเมื่อีกเออไปคนเมื่อีกไป อดออกมาบางอีกเคียดไข้มาบางอีกไอ้มันเห็นตามความเป็นจริงนะข้อมจริงคือสัจจะสัจจะนี่คือความจริงความจริงมันเกิดแล้วกระดับนั่นแหละความจริงมันเป็นอย่งว่าดับมันคือยังเกิดความโลภข้อมโกรธไปอีกเนี่ยมองเนี่ยมันท่อเนี่ยตายเห็นรูปมันเป็นอยังนั้นเม่ดับหมกได้ยินเสียงเป็นว่าดับเป็นอยังเมื่อเกิดโลภขึ้นมาในรูปในเสียงนั่นอีกเป็นอยังเมื่อเกิดโกรธในรูปในเสียงนั่นอีก จังไดสิดับได้หาวิธีดับเนี่ยถ้าดับได้ก็เรียกว่าดับขั้นหาได้ครับต่อขั้นห้าบังพนิพานถ้าดับขั้นห้าได้มันก็หมดเรื่องพูดกันไป้าเลิกใค้ก็ใหม่องมาพ่อไฟมาเนี่ยปลา